เรื่องที่28เมื่อผมสู้กับผีหลอกผมได้สร้างการมันหนึ่งไว้เมื่อไม่นานมานี้คือนำเรื่องผีหลอพระมาเล่าให้ท่านผู้ฟังวิจารณ์ดูตั้งแต่นั้นมาบรรดาท่านนักผีนิยมทั้งหลายก็เริ่มรับผมเข้าเป็นสมาชิกทั้งในการพูดการเขียนของท่านเหล่านั้นได้พบว่าท่านได้ยกเอาผมขึ้นยืนยันว่าผีมีจริง อันนี้ก็เป็นผลกรรมที่ผมทำไว้เองแล้วก็รู้สึกอนาทรร้อนใจว่าในอนาคตการภายภาคหน้าผีทั้งหลายจะเกิดได้ใจเกณฑ์เอาผมไปเข้าพักด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอเล่าเรื่องผีอีกสักครั้งเถอะมันเป็นเรื่องประสบการณ์ในชีวิตของผมเหมือนกันแต่ก่อนจะเล่าขอเวลาผมทำความเข้าใจกับท่านที่ยังอาจไม่เข้าใจในตัวผมสักนิด คือบางท่านจะสงสัยว่าทาไมหมู่นี้ผมจึงชอบเล่าเรื่องผีผีสางๆหรือหมดทางหากินแล้วเลยหันไปเข้าหุ้นกับผีหรือจะประจบผีไว้เผื่อวันข้างหน้าความจริงเปล่าเลยผมนะ่ะไม่เคยนึกพิสว่าดกับสัตว์โลกจำพวกนี้เลยและไม่อยากยุ่งอยากเกี่ยวด้วยเพียงแต่มนุษย์น่านวลๆมายุ่งกับผม ก็มาหลอกหลอนให้ผมช้ำใจพออยู่แล้วคืนเล่นกับผีถ้ามันแย่แต่ว่าก็ว่าเถอะผมกับผีอาจเคยมีเวรติดพันกันมาแต่ชาติก่อนก็ได้ ท, ทั้งที่ไม่ชอบหน้ากันแต่ก็ตัดขาดจากกันไม่ได้ประการสำคัญที่สุดผมเป็นคนนับถือพระแล้วก็อยากให้พระเปร่งรัศมีให้ท่านส่องแสงสว่างไปช่วยชาวโลกได้มากๆก แต่แล้วผีก็เกิดชอบบังพระของผมใครอยากดูพระก็ได้เห็นแค่ผีใครอยากไหว้พระก็ไปไหว้เอาผีนี่สิที่ผมกะเขาต้องขัดใจกันบ่อยๆไม่รู้จะทำอย่างไรจะนิ่งเสียพระผมก็แย่จะพูดมากก็ขัดใจกันเปล่าๆโปรดเห็นใจผมด้วยนโยบายของผมมีอยู่ว่า โลกนี้จะมีผีสักเท่าไหร่เท่าไหร่ผมไม่ว่าขอนิดเดียวคืออย่าบาังพระก็แล้วกันได้อย่างนี้เป็นรักกันตายทีเดียวเอาละผมจะเล่าเรื่องผีหลอกผมให้ฟังท่านผู้ใดขี้กลัวผีหลอกฟังแล้วอาจค่อยยังชั่วแต่ท่านผู้ใดไม่เชื่อว่าผีหลอกมีจริงก็ลองฟังไว้บ้างเพราะเรื่องนี้ผีหลอกผมจริงๆ เมื่อปีพุทธศักราช 2,490 ผมเป็นอนุศาสนาจารย์ประจำอยู่ที่กองพลนที่สองพระจินบุรีและมีหน้าที่ต้องเดินทางไปค้างที่ค่ายศรีโสธรชาเชิงเซาทุกเดือนไปทีก็พักอยู่ราวสามถึงสวันเพื่ออบรมฐานและกรเวรอะไรก็ไม่ทราบพอเดินทางไปเที่ยวแรกทางกองพันก็จัดให้ผมพักบ้านหลังนั้นแหละ มันเป็นบ้านผีดุที่ใครๆเขาไม่เล่นด้วยแล้วพราะผมเอ่ยขึ้นแค่นี้บรรดาขุนพลแห่งค่าสีโสธรรุ่นนั้นคงนึกยิ้มคิดถึงความหลังและบรรดาท่านอาคันตุกะที่หอบมุ้งหนียามข้ามคืนบ้างกระโดดหนียามกลางวันแสกบ้างคงจะนึกเสียหัวใจอยู่นิดๆและหลายท่านคงจะนึกขำตัวเองที่เคยกางมุ้งไว้แล้ว แต่ตัวหนีไปอาศัยนอนที่อื่นคราวนั้นมันเป็นบุญหรือกรรมของผมหรือของผีก็ไม่ทราบผมเดินทางไปที่นั่นคนเดียวและถูกนำไปเข้าที่พักบ้านหลังนั้นบ่ายมากแล้วสภาพของบ้านก็เก่าแก่เต็มทีสีที่ทาไว้ก็ตกสะเก็ดหลุดร่วงเกือบจะไม่รู้ว่าสีอะไรกระดานฝาแทบทับเกล็ดผุเป็นตอ น, ตอน ที่ยังอยู่ก็อ้าออกจากกันแลจนโปร่งไปทั่วฝาบานประตูหน้าต่างก็ปิดได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะเก่าแก่เหลือเกินเมื่อห้องต่างๆของบ้านถูกจัดไว้ด้วยเก้าอี้ตู้เตียงที่เป็นของโบราณลวดลายปิดทองตัดกับสีโอ๊คจารึกนามของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยทำให้สภาพภายในบ้านดูซึมเศรอย่างถนัดใจทั้งนี้ไม่ต้องพูดถึงว่า บ้านหลังนั้นได้ตั้งอยู่โดดเดี่ยวห่างไกลหมู่บ้านของนายทหารนายสิบและที่พักทหารด้วยผมเห็นมันเงียบเหงาผิดสังเกตนะักเลยถามทหารเฝ้าบ้านดูว่ามีใครมาพักอยู่ด้วยหรือเปล่าเขาตอบว่าไม่มีผมสักว่าก็เมื่อวานนี้มีนายทหารเดินทางล่วงหน้ามาหลายคนกลับกันหมดแล้วหรือแกก็บอกว่า ท่านผู้ที่มาเหล่านั้นไม่มีใครพักที่นี่ไปหาพักที่อื่นหมดผมถามเขาต่อไปว่าทำไมจึงไม่มีใครพักแกก็ตอบอย่างพาซื่อว่าบ้านนี้ผีดุครับไม่มีใครมาพักกันนอกจากคนที่ไม่รู้เรื่องอจริงหรือผมถามจริงครับเขายืนยันหน้าตาเฉยดกมากหรือผมเอาเรื่องทีเดียวครับ เขาแล้วเธอทำไมอยู่ได้ล่ะผมผมอยู่เฉพาะเวลากลางวันครับเขาแล้วกลางวันไม่หลอกหรือผมเอามางเหมือนกันครับคำตอบของเขาทำให้ผมรู้สึกสนใจมากและรู้สึกว่าเหตุการณ์จวนตัวเข้ามาเต็มทีแล้วจึงขอร้องให้เขาเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวมันมีอย่างไรบ้าง เขาก็เล่าว่าผีที่บ้านนั้นเป็นผีนายทหารพอค่ำสักหน่อยก็จะแต่งตัวขัดกระบี่เดินไปเดินมาอยู่ในห้องเวลาเดินเสียงสเปรดังกริ๊งกริงแล้วมีเสียงกระบี่ลากไปบนพื้นห้องด้วยเล่าพลางเขาชี้ให้ดูห้องรับแขกถัดไปซึ่งมีเก้าอี้ชุดรับแขกแบบขุนนางเก่าพนักสูงสูงกรุกหนังทั้งตัว แต่หนังขาดกรุ่งกระิ่งแล้วระหว่างเก้าอี้กับเก้าอี้มีกระถนปากแตรทองเหลืองอย่างโบราณที่ฝาห้องมีขอแขวนหมวกอย่างเก่ามองเข้าไปแล้วก็อย่างว่านั่นแหละครับลักษณะมันบอกทุกอย่างว่าน่าจะมีสัตว์โลกจาพวกนั้นอยู่เขาบอกว่าพอดึกหน่อยก็จะมีแขกผีมาเยี่ยมและคุยกันที่ห้องนั้นเป็นเวลานา น, าน เขาเล่าให้ฟังถึงเรื่องใครต่อใครหลายคนที่โดนหลอกมาแล้วผมถามเขาว่ามันมีสิ่งอาถรรพ์อะไรอยู่ในบ้านนั้นเขาก็พาเดินเข้าไปดูที่ห้องถัดจากที่ห้องพักของผมซึ่งมีเสาตกน้ำมันอยู่ต้นหนึ่งมีรอยปิดทองเปลดไปหมดและมีก้านทูบที่จุดแล้วอยู่รอบๆเสามากเหมือนกันเขาบอกว่าพอพวกทหารเฝ้าบ้านถูกผีหลอกที ก็มาบูชาไหว้วอนขออย่าให้หลอกเป็นนั้นว่าช่วงเวลาไม่ถึงชั่วโมงผีได้เข้ามาวนเวียนอยู่ในหัวใจของผมแล้วให้มีอันหวั่นใจชับกลแม้จะยังไม่เชื่อก็อดคิดไม่ได้ว่าคืนนี้น่ากลัวเจอแน่เพราะคนที่โดนมาแล้วก็ไม่ใช่เด็กๆผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็โดนที่มันจะเกรงใจคนชั้นเราเห็นจะหมดหวัง ก็ลองดูค่ำวันนั้นท่านผู้บังคับกองพันคือพันตรีชยันจันทยานีเวลานี้เป็นในผลแล้วเชิญผมไปรับประธานอาหารที่บ้านพักของท่านรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็คุยกันเพลินตกเกือบสี่ทุ่มครับเล่นละผมลืมนึกถึงเรื่องผีไปพักใหญ่จนกระทั่งผมลาท่านเดินกลับไปยังที่พักความคิดที่จะต้องเผชิญกับผี ก็เริ่มประดังเข้าสู่จิตของผมอีกและเป็นความรู้สึกที่รุนแรงกว่าตอนกลางวันมากทีเดียวเพราะมันหมายถึงว่าผมอาจเผชิญหน้ากับผีตัวต่อตัวในไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แล้วผมเดินฝ่าความมืดใกล้บ้านผีดุเข้าไปทุกทีแต่เมื่อมองไปที่บ้านนั้นเห็นไฟฟ้าสว่างจ้าทุกห้องกันบางใจค่อยดีขึ้นหน่อยคิดปลอบใจตัวเองไว้ว่า ไฟสว่างออกอย่างนี้จะไปกลัวอะไรเจอเป็นเจอผมเดินเข้าไปจนกระทั่งถึงเชิงบันไดาทางระเบียงหลังไฟก็ยังสว่างจ้าอยู่ทุกห้องรวมทั้งดวงที่แขวนอยู่ระเบียงนั้นด้วยหวานผมคิดรวบรวมกำลังใจให้เต็มที่แล้วเดินขึ้นบันไดด้วยท่าทางอย่างนักเลงทีเดียวให้เป็นการขู่ขวัญผีไว้ก่อนแต่นิจาเอ๋ย พอพ้นหัวบันไดไปได้ก้าวเดียวเท่านั้นหมายความว่าผมเหยียบเท้าลงบนพื้นระเบียงบ้านไฟฟ้าได้ดับเพิึบหมดทุกห้องผมหยุดยืนอยู่ในความมืดพยายามรวมสติสตังไว้ให้ดีแต่เนื่องจากในใจคาดการไว้ก่อนแล้วผมก็นึกทันทีว่าเอาเราเข้าแล้วสิยืนอยู่กับที่ครู่หนึ่งไฟก็ยังไม่ติด ทั้งทงที่ยาคารหลังอื่นๆที่ห่างออกไปยังมีแสงไฟสว่างจ้าถ้าจะไม่ได้เรื่องแน่ผมคิดไปหาซื้อเทียนไขก่อนดีกว่าคิดแล้วก็ไม่รอช้าเพราะร้านค้าต่างๆก็จะปิดกันหมดแล้วผมกลับหลังหันจะลงจากบ้านแต่พอก้อาวเท้าเหยียบที่หัวบันไดไฟฟ้าเกิดติดพรืบพร้อมกันหมดทุกดวงโล่งใจไปที ไม่ต้องไปหาซื้อเทียนไขแต่พอผมกลับหลังหันจะเดินเข้าไปในบ้านอีกก้าวเท้าเหยียบลงบนพื้นก้าวเดียวไฟเจ้ากรรมเกิดดับพรึบหมดทั้งบ้านผีแน่ผมคิดไม่ต้องมีใครบอกผมก็เชื่อร้อยเปอร์เซน์ว่าผีหลอกผมเข้าแล้วตัดสินใจว่าต้องไปซื้อเทียนไขแน่ผมกลับหลังหันจะลงจากบ้าน ไฟฟ้าเกิดสว่างจ้าขึ้นอีกผมไม่ฟังเสียงฉกคิดขึ้นว่าผีมันคงจะหลอกเราไว้ไม่ให้ไปซื้อเทียนแน่ๆผมเดินย้อนกลับทางเดิมไปที่กองรักษาการเพื่อวานทหารไปซื้อเทียนไขพอผมโผล่หน้าไปที่นั่นพักพวกก็พากันอมยิม้มคนหนึ่งถามขึ้นว่าอาจารย์โดนเข้าแล้วหรือฮะผมบอกว่าสงสัย ประมาณ5นาทีให้หลังผมก็ได้เทียนไข2ถึงสห่ออีทีนี้ไม่ต้องกลัวไฟฟ้าดับแล้วผมรีบกลับไปหาผีอีกพร้อมด้วยกำลังใจที่ดีกว่าเดิมเล็กน้อยพอถึงเชิงบันไดก็ฉีกเทียนไขออกห่อหนึ่งกำรวบเข้ากันทุกเล่มจุดพร้อมกันหมดเลยเมื่อผีมันแกล้งเป่าจะได้ทนได้ผมเดินขึ้นบ้านอย่างอง อ, งอาจอีกครั้ง พยายามแข่งอิทธิพลลงเท้าหนักๆผีจะได้กลัวเอาอีกแล้วพอเหยียบท้าบนกระดานแผ่นนั้นไฟฟ้าดับอีกแต่ผมไม่แคร์ไฟเทียนยังลุกโล่อย่างกระจุดใต้ผมพยายามเอาไฟส่องไปรอบๆตัวเพื่อจะดูว่ามันมีร่างผีหรือโครงกระดูกตรงเตงอยู่บ้างหรือเปล่าก็ไม่มีเมื่อไม่มีอะไร ผมก็ตัดสินใจเดินเข้าไปในบ้านทั้งกลัวทั้งกล้าบอกไม่ถูกเหมือนกันถ้ามีคนอื่นอยู่ใกล้กก็เห็นจะร้องเรียกแต่นี่ไม่มีใครเลยก็จนใจลองเดินเข้าไปดูซิผมคิดแล้วก็ก้าวเท้าออกปลอดอะไรอย่างนี้พอก้าวเท้าไปไฟกลับติดพรืบทุกดวงผมแปลกใจเดินดูรอบๆแล้วก็ไม่เห็นมีอะไร จึงลองกลับไปยังจุดเดิมอีกทีพอผมเหยียบท้าลงที่เดิมไฟดับเอา้าลองถอยออกไฟติดพอมีปรากฏการณ์อย่างนี้กำลังใจมาตั้งเป็นกองผมคิดว่าต้องจับผีดับไฟให้ได้ครั้นตรวจดูไปจนสุดแผ่นกระดานก็พบว่าเวลาผมเหยียบกระดานแผ่นนั้นหัวกระดานมันจะกระดกขึ้น ไปเกี่ยสายไฟที่ผ่านเข้ามาข้างฝาบ้านทำให้ปลายสายทางออกจากกันเป็นการตัดกระแสไฟหมดทั้งบ้านผมต่อสายไฟนั้นเสียใหม่แล้วเดินดูปรากฏว่าผีไม่ติดใจจะหลอกดับไฟอีกแล้วเรื่องผีหลอกดับไฟนี้ความจริงเป็นการหลอกก่อนเวลาหรือหลอกนอกโปรแกรมเพราะทหารเฝ้าบ้านก็ไม่เล่าให้ฟัง เขาเล่าแต่เรื่องผีอยู่ในห้องเสาตกน้ามันกับที่ห้องรับแขกเท่านั้นผมพยายามสลัดความหวาดวิตกออกจากใจกรีมนอนเพราะดึกโข อ, อยู่แล้วผมดับไฟในห้องนอนเสียส่วนห้องอื่นคงเปิดไว้ทุกห้องเรียบร้อยแล้วก็เริ่มไหว้พระอันเป็นกิจวัตรประจำวันพอผมเริ่มไหว้พระผีก็เริ่มรายการหลอกตามที่ทหารบอกไว คือมีเสียงคนเดินในห้องที่มีเสาตกน้ำมันมีเสียงสเปอร์ดังแล้วก็มีเสียงลากกระบี่แล้วแถมมีเสียงเปิดหน้าต่างสับขอเสียอีกด้วยในใจผมนึกวาดภาพดูว่าผีคงจะเป็นนายทหารจริงและคงเดินบ้างยืนบ้างคล้ายๆกับคนไปเที่ยวไหนกลับมาดึกๆแล้วเตรียมจะเข้านอนอย่างนั้นเองถ้ามันจะหลอกแน่ ผมคิดคิดจนไม่เป็นอันสวดภาวนาแล้วสิไม่มีทางหนีครับเหลืออยู่ทางเดียวคือสู้ผมลืมมาเรียนให้ท่านทราบด้วยว่าที่ห้องนั้นกับห้องนอนผมมีประตูต่อกันขณะนั้นบานประตูปิดแต่ไม่สนิทนักผมไม่ได้ลงกรอนมีแสงไฟลอดเข้ามาตามรูโบของฝาซึ่งมีอยู่ทั่วไปผมนั่งอยู่บนเตียงนอน แต่พยายามจ้องสายตาไว้ที่ประตูนึกว่าผีแกจะต้องเปิดปลุกเข้ามาหาแน่ๆแต่คอยดูสัก1ิบนาทีแล้วเหตุการณ์ไม่เป็นไปตามที่คิดผียังคงเดินลากกระบี่อยู่ในห้องเป็นระยะๆเะะฮ้ยวันนี้ไม่ต้องนอนขอดูหน้าผีเสียทีผมคิดบ้าขึ้นบ้างคว้าเทียนไขกับไม้ขีดมากำไว้แน่นแล้วค่อยๆย่องลงจากเตียง พยายามไปแอบมองตามรูข้างฝากั้นห้องมองเข้าไปในห้องผีซึ่งขณะนั้นไฟในห้องนั้นสว่างจ้าแต่เมื่อกว่าสายตาดูเกือบทั่วห้องแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรนอกจากเตียงนอนว่างๆ3าถึง4ี่เตียงพอผมมองหาเสียงก็เงียบแต่พอจะเข้านอนมันกลับมีเสียงผมเรียนตรงๆว่าผมทนไม่ไหวจริงๆอีกตั้งนานกว่าจะสว่าง มันจะเป็นจะตายก็ขอให้เห็นดำเห็นแดงกันก่อนเถอะผมค่อยๆย่องไปรอที่บานประตูรอให้ผีมันเดินพอมีเสียงเดินอีกทีผมเลยผลักบานประตูพรวดสุดแรงและจู่โจมเข้าไปในห้องนั้นโดยเร็วจะไม่ยอมให้ผีตั้งตัวทันแต่แล้วไม่เห็นมีอะไรเงียบผมคนลุกซาหยุดยืนอยู่ครู่หนึ่ง รอดูก่อนมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกไม่ถึงอึดใจเลยครับเกิดมีเสียงเดินลากกระบี่อยู่ในห้องถัดไปอีกแล้วทีแรกผมก็ไม่รู้ว่ามันห้องอะไรเห็นแต่บานประตูปิดสนิทอยู่ไม่รอช้าผมก้าวเข้าประชิดประตูพลางร้องถามว่าใครเงียบไม่มีเสียงตอบแต่แล้วครู่เดียวก็มีเสียงเดินอีกบุกเลย ผมคิดและเร็วพอๆกับความคิดผมผลักบานประตูเต็มแรงแล้วตัวก็ถล่มเข้าไปด้วยเจ้าผีตกใจมันยืนทำตาปริบๆเหมือนกับจะขอชีวิตโถเอ้ยกลัวเกือบตายนึกว่าอะไรที่แท้ก็ไก่บ้านตัวเบ้อรไก่เจ้ากรรมมันเข้ามานอนในห้องนี้ซึ่งเป็นห้องน้ำเก่าๆครุสังกษสีอย่างหนา เวลานอนมันอุตริขึ้นไปนอนบนราวาผ้าผ้าพอมันหลับมันก็ตกเสร็จแล้วก็ตะกุยข้างห้องน้ำเล็บมันครูดสังกสีฟังข้างนอกคล้ายคลยเสียงสเปอร์รองเทา้าหรือเสียงลากกระบี่ขณะเดียวกับกระดานปิดปากตุ่มน้ำมันกระแทกข้างฝาเสียงคล้ายมีคนเดินผมลองคอยดูให้ไก่มันแสดงท่าทางของมันได้ความชัดหมดทุกอย่าง ผมล่งใจไปถนัดผีดับไฟก็จับได้แล้วผีเดินลากกระบี่ก็จับได้แล้วนอนได้แต่แล้วตอนดึกสงัดสักตี3าตี4เห็นจะได้รายการใหม่ก็เกิดขึ้นอีกแล้วคือมีเสียงคนคุยกันที่ห้องรับแขกคุยบ้างร้อบ้างพิลึกจริงแต่ตอนนี้ผมชักสนุกแล้วทีแรกก็พยายามแอบดู แต่ไม่เห็นต้องบุกแบบจู่โจมตามเคยท่านพอดีอีทีนี้เป็นผีสี่ขาแพะครับมันย่องเข้าไปนอนอยู่ข้างๆเก้าอี้รับแขกโบราณเจ้าแพะนี่แปลกพอมันหลับแล้วมันบน่นทำปากบุ๋มบั๋บุ๋มบัมบมบม๋ฟังไกลๆเหมือนเสียงคนคุยกันบางทีมีเสียงกรนคร่อกๆฟังไกลๆเหมือนเสียงหัวเราะเบาๆ ชาติปางก่อนจะบ่นลูกบนหลานมากหรื อ, อยังไงไม่ทราบถึงได้มาเกิดเป็นแพตัวนั้นนี่แหละท่านเรื่องผีหลอกผมเป็นผีหลอกแน่ๆคือไม่ใช่ผีจริงในที่สุดผีก็กลายเป็นแผ่นกระดานเป็นไก่และเป็นแพด้วยประการชนี้ส่วนเรื่องเสาตกน้ำมันก็ไม่มีอะไรไม่เกี่ยวกับผีสางนางไม้อะไรทั้งสิน้นคนเลือกไม้ทำเสาไม่เป็น ไปเลือกเอาไม้มีโพรงข้างในเข้าตัวชนรงบ้างตัวมแมลงอย่างอื่นบ้างเข้าไปทำรังอยู่ข้างในนั้นถ้าตะแคงหูฟังเวลางิบเงีย บ, เ, ยบเราจะได้ยินเสียงเหมือนคนร้องไห้สะอื่นแล้วหมอทักก็ช่วยโอกาสว่านางไม้อาศัยอยู่ในนั้นพออากาศร้อนร้อนมูลของตัวมแมลงก็เยิ้มไหลออกมาตามรอยแตกของเสา คนเห็นเข้าก็ร้องเอะอะว่าเสาตกน้ํามันเลหลวไหลกลางทะเลแท้ๆโบราณท่านห้ามแล้วไม่เชื่อว่าอย่าเอาไม้มีตามีโพรงมาทำเสาเรือนมันเป็นเสนียดจันไรแต่ถ้าบ้านท่านผู้ใดมันเกิดมีอย่างว่านี้ก็อย่ารีเอาทู่ไปจุดหรือเอาทองไปปิดเลยถ้าไม่เด็กเสียขวัญยิ่งจะอับประมงคลหนักเข้า ถ้ามันจะตกน้ำมันจริงๆก็เชิญเถอะยิ่งไหลออกมาเป็นน้ำมันกา๊าซหรือน้ำมันเบนซินก็ยิ่งดีบ้านเมืองเราจะได้ไม่ต้องสั่งซื้อน้ำมันจากต่างประเทศต่อไป 2,504